เชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชโมงคลแฮนยิบุรีติดต่อสับถามหรือปรึกษาฟรีโท 02-592-1999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 สวัสดีคะ่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไมค์คอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันดาริสาตรังวุณีเอกนะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาอัปเดตไอทีกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะอยากจะพูดถึงเรื่องราวของการขอวีซ่าของทางสหรัฐอเมริกาค่ะคุณฟังทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการขอวีซ่าเนี่ยจะต้องเปิดเผยบัญชีโซเชียลต่างๆนะคะย้อนหลังห้าปี ขอวีซ่าสาหรัฐอเมริกาค่ะต้องเปิดเผยบัญชีโซเชียลนะคะคุณจะยอมหรือเปล่าเมื่อการขอวีซ่าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเปิดเผยบัญชีโซเชียลมีเดียเบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลที่เคยใช้ย้อนหลังกลับไปห้าปีซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ทั่วโลกนะคะคือมีไปแล้วสามมิถุนายนสองพันสิบเก้าที่ผ่านมาเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่ามาตรการนี้เองเนี่ยจะไม่มีผลย้อนหลังสำหรับผู้ที่ขอวีซ่าสาหรัฐ ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองคือการขอข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใดอันนี้ใน ขั้นตอนของเขาเนี่ยเขาคิดแบบนี้เพราะว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในเชิงสาธารณะอยู่แล้วมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดมากภายใต้กฎหมายของสหรัฐค่ะแล้วก็มีข้อสังเกตนะคะว่าผู้ก่อการร้ายสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการสนับสนุนทางโซเชียลมีเดียด้วยถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่เปิดเผยโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะมีผลในเรื่องของการต่อวีซาก็คือต่อไม่ได้หรือไม่ได้รับการยินยอมให้ผ่านวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ โดยในกลุ่มที่จะได้รับผลการธมกระธม Jur toda a student ชั้น fe omnipot hat กลุ่มที่อาจจะมีกิจกรรมออนไลน์ grande ข่องกับการเก่าความมุ่นหวายและ ก, ก, ก่อการเก่าการร้ายคำ扑ฟังซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของมัตรการนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องเของกาไว้เว أ วซาสารรู้สำหรับเมกาเนยจะต้องเปิด๋ยบัญชีโซเชี่ยวซาห ยังไม่เผยนะคะขอบเขตการตรวจสอบบัญชีโซเชียลว่าจะดูละเอียดแค่ไหนดูส่วนไหนบ้างเพราะว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศเป็นความลับแต่ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ขอให้คุณเนี่ยเปิดเผยรหัสผ่านอย่างแน่นอนเพราะว่าจะแค่ขอดูเนื้อหารในนั้นที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะอย่างเดียวอย่างไรก็ตามค่ะการขอวีซ่าแบบขอตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียแบบนี้เนี่ยมียกเว้นด้วยนะคะสำหรับเฉพาะผู้สมัครบั สำหรับวีซ่าทูตและวีซ่าบางประเภทค่ะเดี๋ยวรอติดตามข่าวละการันว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะจริงจริงอนุมัติให้ใช้แล้วตั้งแต่สามมิถุนายนที่ผ่านมานะคะหลายคนที่เดินทางไปเนี่ยลองตรวจสอบกันดูนะคะว่าเขามีการตรวจสอบบัญชีโซเชียลย้อนหลังห้าปีเนี่ยผลตอบรับฟิสแบ็กเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวรอข่าวมาติดตามเพิ่มเติมละกันนะคะเอาไห น, นไปในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแหละขยับมาทางรัเสเซียกันบ้าง ไม่หน่อยหน้ากันไปเลยนะคะทางรัสเซียเนี่ยเซ็นสัญญากับหัวเว่ยค่ะผู้ฟงังพัฒนาเครือข่าย 5G ในรัสเซีย เอ้ยเธอเราขอเซ็นสัญญากับเธอได้ไหมพอดีว่าทางสหรัฐไม่โอเคกับเราอ้าวก็กระโดดข้ามาทางรัสเซียรัเสเซียก็เลยเซ็นสัญญากับหัวเว่ยไปเลยค่ะแล้วก็ในค่ายมือถือ MTS จากรัสเซียนะคะร่วมกับหัวเว่ยจากจีนลงนามข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะพัฒนาโครงข่าย 5G ในรัสเซียนั่นเองก่อนหน้านี้นเนี่ยหัวเว่ยก็ถูกเพิกถอนจากหลากหลายประเทศเช่นกันไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็เนื่องจากความกดดันที่เราได้รับข่าวสารมานะคะของทางรัฐบาล สหรัฐและหัวเวย่ยอยู่ใน entity list ของสหรัฐนะคะห้ามทำการค้ากับบริษัทในลิสต์ดังกล่าวนั่นเองทำให้หัวเวย่ยเองเนี่ยยังสามารถให้บริการเครือข่ายโทรรักคมนาคมกับรัสเซียได้อย่างอุ่นใจค่ะทั้งนี้นะคะผู้นำทั้งสองประเทศนะคะ ทั้งจากจีนแล้วก็จากรัสเซียเองเนี่ยมีการประชุมร่วมกันทั้งสองประเทศแล้วด้วยคาดว่า MTS จากรัสเซียเนี่ยจะเริ่มพัฒนาแล้วก็ให้บริการ 5G นะคะในช่วงปลายปีนี้2019จนถึง2020ค่ะอยัางไงก็ตามนะคะเฟซบุ๊กก็มีการประกาศห้ามนำแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กวอทช์แอปแล้วก็อินสตาแกรมมาพรีอินสตอลล่วงหน้าบนมือถือของหัวเว่ยเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นตามรอยกูเกิลนะคะที่ยกเลิก ในส่วนของ Google แอปลงในมือถือหัวเบย์ค่ะยังไงก็ตามเองเนี่ยก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแอปสโตร์ต่างๆได้นะคะมาติดตั้งบนมือถือหัวเบย์คือติดตั้งได้ภายหลังนะคะยังสามารถใช้งานได้แต่ว่าของประเทศไทยยังไม่มีแจ้งอะไรมานะตอนนี้ยังใช้การได้ปกติอยู่นั่นเองค่ะถ้าพูดถึง OS นะคะเราก็ต้องข้ามกระโดดมาที่ในสปังของ Apple กันบ้างนะคะ ไอแพดโอเอสนะคะระบบปฏิบัติการสำหรับไอแพดที่จะมาแทนที่ไอโอเอสแบบเดิมด ม, มาดูกันว่า iPad OS เนี่ยมีอะไรใหม่กันบ้างนะคะ iPad OS แบบนี้เนี่ยระบบปฏิบัติการสำหรับ iPad นับจากนี้ iPad รุ่นใหม่ค่ะจะไม่ทำงานรันบนระบบ iOS แล้วนะคะแต่ว่าจะทำงานรันในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นของตัวเองเลยนะเป็น iPad OS นั่นเองซึ่งได้รับการพัฒนามาจากรากฐานเดียวกับ iOS เหมือนกันค่ะเพิ่มความสามารถรองรับภาพหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็ความสามารถ รอบด้านของ iPad โดยเฉพาะค่ะมาดูกันว่ามีอะไรใหม่กันบ้างนะคะมาดูที่หน้าจอกันก่อนหน้าจอโฮมก็คือแบบใหม่หน้าจอโฮมให้แสดงแอปพลิเคชันในแต่ละหน้าเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่ม Today View มุมมองในวันนี้นะคะลงในหน้าจอโฮมแล้วด้วยเพื่อช่วยให้เข้าถึงบิทเจอต์ได้อย่างรถวดเร็วแล้วก็ดูข้อมูลอย่างเช่นพาดหัวข่าวพยากรณ์อากาศปฏิทินกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยนะคะวิธีการใช้งาน Apple Pencil ค่ะที่หลากหลายขึ้นสามารถขีดเขียนแล้วก็ส่งทั้งหน้า หน้าเว็บเอกสารหรือว่าบนอ、e、ีเมลไอแพดโดยการปัดแอปเปิลเพนซิลจากมุมของหน้าจออีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะผู้ฟังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการแคปออกมาแล้วก็ส่งไปได้เป็นการแชร์ไปได้นะคะจานเครื่องมือที่ออกแบบใหม่ค่ะช่วยให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือจานสีรูปทรงยังลบวัตถุยังลบพิกเซลแบบใหม่นะคะสำหรับลบส่วนใดก็ได้ ของเส้นขีดค่ะและไม้บรรทัด ส, สำหรับวาดเส้นตรงนะคะที่สมบูรณ์แบบขึ้นค่ะ Apple Pencil นะคะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าใช้อัลกอริทึมคาดการณ์ขั้นสูงเข้ามาช่วยเพิ่มเติมการปรับค่าที่เหมาะสมขึ้นค่ะเพื่อลดความหน่วงในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมให้ต่ำลงไปอีกประมาณเก้ามิลลิ วินาทีค่ะปรับปรุงการแก้ไขข้อความเพิ่มเติมนะคะคือการแก้ไขข้อความบนไอแพดเนี่ยได้รับการอัปเดตที่สำคัญมากๆพร้อมกับไอแพดโอเอสเลยจึงทำให้ง่ายขึ้นค่ะในเรื่องของความเร็วในเรื่องของการแก้ไขง่ายๆเลยแค่ใช้นิ้วปัดเพื่อเลือกข้อความนะคะแล้วก็ ใช้คำสั่งนิ้วแบบใหม่เพื่อตัดคัดลอกวางแล้วก็เลิกทำนอกจากนี้เองเนี่ย iPad ยังสามารถเสียบ USB flash drive ได้แล้วด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยไม่สามารถเสียบได้เราสามารถใช้ iPad เป็นจอที่สองในการใช้ร่วมกับ Mac ได้นะคะรวมถึงต่อกับกล้องได้ด้วยผ่าน USB-C ค่ะทางนี้เองนะคะ iPad OS นี้จะปล่อยให้อัปเดตฟรีในช่วงฤดูใบไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปีนี้นะคะสำหรับ iPad Air 2 Air 2ขึ้นไป ไอแพดโปรทุกรุ่นไอแพดรุ่นที่ห้าขึ้นไปและไอแพดมินิสี่ขึ้นไปใครได้ไปต่อนะคะเตรียมรอเลยนะคะในเรื่องของการอัปเดตเป็นไอแพดโอเอสแบบใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอทีกันต่อ น, นั่นเองค่ะเพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT moving, moving towards innovative university Innov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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999 เข้าสู่ช่วงนี้นะคะยังมาติดตามเรื่องเราวของข่าวสารไอทีกันเช่นเคยค่ะมาติดตามข่าวนี้กันบ้างนะคะเสี่ยวเสี่ยวมี่นะคะโชว์ทฤษฎีการซ่อนกล้องใต้จอมือถือแบบไร้รอยบากด้วยโดยไม่ต้องใช้กล้องป๊อปอัพด้วยนะคะเหมือนเสียดสีใครบางคนหรือเปล่าคือเหมือนกับว่ายุการแข่งขันแบบนี้เนี่ยหน้าจอรอยบากบนสมาร์ทโฟนกำลังจะจบลงเร็วๆนี้ค่ะผู้ฟังล่าสุดทาง oppo แล้วก็เสี่ยวมี่เองนะคะกำลังพัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอที่สามารถ ซ่อนเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องหน้าไว้ภายใต้หน้าจอให้ได้ล่าสุดเองนะคะรองประทานอาวุศโสของเสียมมีค่ะมีการทวิต สไลด์ข้อมูลที่แสดงการทำงานของฟีเจอร์ดังกล่าวเป็นเข้าวคราวออกมาหลักการของเซี่ยวมี่นะคะจะคล้ายๆกับมือถือในตลาดปัจจุบันค่ะที่กล้องหน้าจะถูกติดตั้งไว้บนบนสุดของหน้าจอมือถือนี่แหละแต่แทนที่จะครอบแล้วก็ตัดจอให้เป็นขอบรอยบากหรือว่ารูจอนะคะก็จะถูกคลุมไปหมดเลยทั้งจอเป็นชนิดพิศเศษแทนที่จะมีการสะท้อนน้อยกว่ากระจกทั่วไปค่ะเซี่ยวมี่เองเนี่ย บอกได้เลยนะคะว่าการติดตั้งรูปแบบนี้เนี่ยจะทำให้พื้นที่หน้าจอส่วนกล้องโปร่องใสเมื่อต้องการถ่ายภาพแล้วหน้าจอโปร่งใสนั้นเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเลนตัวนอกสุดของกล้องอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เซี่ยวมี่นะคะยังบอกอีกด้วยนะจะไม่พัฒนากล้องให้มีขนาดเล็กลงนะ เพราะว่าด้วยระบบของหน้าจอโปร่งใสทำให้สามารถใส่เซนเซอร์กล้องขนาดใหญ่เพื่อให้คุณภาพของภาพเด็กที่ถ่ายออกมาดีขึ้นไม่ต้องกังวลว่าขนาดของตัวกล้องเนี่ยจะไปกินพื้นที่หน้าจอหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะเมื่อดูจากภาพสไลด์ที่โพสบนทวิตเตอร์นะคะจะเห็นได้ว่าตรงหน้าจอแสดงผลเนี่ยยังมีอรอยกล้องให้เห็นอยู่เล็กน้อยค่ะเราก็ไม่เสียพื้นที่ตรงนั้นไปกับรอยบากหรือว่ารูบนหน้าจอนะคะเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีป๊อป อาบแล้วเนี่ยการซ่อนกล้องหน้าจอก็จะ ดูมีความหน่ากังวลเรื่องนกลไกการทำงานน้อยกว่าอีกด้วยอยัางไงก็ตามตอนนี้นะคะทางเซี่ยมี่เองเนี่ยได้บอกว่าเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้เป็นการทดลองทดสอบกันอยู่ว่าได้หรือเปล่าซึ่งเราเองเนี่ยก็หวังนะคะว่าเทคโนโลยีแบบนี้จะสามารถใช้งานได้และออกสู่ตลาดเร็วๆนี้นั่นเองค่ะ oppo กับเซี่ยมี่นะน่าจับตาทั้งสองอย่างเลยเพราะว่า oppo เขาก็มีออกหลากหลายรุ่นเหมือนกันแต่ตัวที่เขานำเสนอชูโรงในตอน นี่น่าจะเป็นตัวป๊อปอัพใช่ไหมกล้องป๊อปอัพขึ้นมา oppo นะคะลองไปดูกันได้สำหรับใครที่สนใจอาข้ามกระโดดมาที่เฟซบุ๊กกันบ้างเฟซบุ๊กตอนนี้ห้ามหัวเว่ยนะคะไม่ให้ลงแอปพลิเคชันบนมือถือแบบพรีอินสตอลแล้วนะคะ จากเรื่องราวของสาหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละห้ามไม่ให้บริษัทในประเทศทำการค้ากับแบรนด์หัวเว่ยเองค่ะทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยต้องหยุดการค้าคู่ค้ากับแบรนด์ผู้ผลิตมือถือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกไ ม, ม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กกูเกิลไมโครซอฟท์คอร์คอมและก็อีกหลากหลายบริษัทนะคะล่าสุดทางเฟซบุ๊กก็มีการเคลื่อนไหวเช่นกันค่ะในขณะที่กูเกิลเองและก็บริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะคะต้องตัดขาดความสัมพันธ์กับหัวเว่ยไปเลยทางเฟซบุ๊กเองเนี่ยกลับมีวิธีการ รับมือกับคำสั่งห้ามทำการค้ากับหัวเว่ยด้วยการห้ามไม่ให้ทางหัวเว่ยติดตั้งแอปพลิเคชันของทางบริษัททั้ทงเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือวอตส์แอพบนอุปกรณ์จากการตั้งค่าโรงงานจากโรงงานมาเนี่ยไม่ให้ติดตั้งนะคะแต่แอปพลิเคชันทุกตัวแน่นอนว่ายังได้รับการอัปเดตจากเพลย์สโตร์อยู่เหมือนเดิมนะคะสรุปนะคะว่ามาสรุปกันดีกว่าถ้าเราซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยมาแล้วเนี่ยใช้งานเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกเราจะไม่เห็นแอปพลิเคชันเหล่านี้เลย ทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมวอตแอบต่างๆนะคะคือทางเฟซบุ๊กเองเนี่ยถูกจะไม่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานแต่เรายังสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งเองได้ค่ะผู้ฟางังโดยสรุปแล้วก็ติดตั้งได้เหมือนเดิมแต่ว่าต้องโหลดเองแค่นั้นแหละไม่เขาไม่โหลดมาให้นะคะไม่ได้ตั้งมาตั้งแต่นู่นเลยเป็นพันธมิตรกันมามาติดตั้งเหมือนเดิมนะคะตราบใดที่อุปกรณ์หัวเว่ยยังคงรองรับ Google Play Store อยู่เท่ากับว่าเฟซบุ๊กก็ไม่เสียอากาศอะไรเลยกับการที่ห้ามทำการค้ากับหัวเว่ยในตอนนี้คือห้าสิบห บอกว่าอ้าโอเคเราไม่ทำการค้ากับคุณนะคุณไม่ต้องติดตั้งของเราเลยทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมวอตแอดเนาะคุณไม่ต้องติดตั้งมาจากโรงงานแต่ผู้ใช้นะคะผู้บริโภคลูกค้าเนี่ยอยู่ดีก็แบบอเอาเครื่องซื้อเครื่องมาสมมติมั่นใจในหัวเบย์ซื้อเครื่องหัวเบย์มาไม่มีอะไรในหัวเบย์เลยคุณสามารถเข้าไปโหลดในเพลย์สโต้ได้เหมือนเดิมค่ ะ, คะก็แสดงว่ายังใช้ได้อยู่นะตอนนี้นะคะอ้าล่ะนะคะมาติดตามเรื่องราวของนี้กันบ้างไอโอเอสสิบสาม จริงๆมีการปล่อยให้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีความลับอย่างหนึ่งค่ะในเรื่องของการไฟมายใน iOS สิบสามกลัวกติณจะเป็นไฟมายไอโฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ Mac OS Catala Catalina ค้นหาเครื่องนะคะโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตคือแต่ก่อนเนี่ยต้องใช้แบบ G P S อะไรอย่างงี้ Apple นะคะเปิดตัว iOS สิบสามปล่อยเวอร์ชันเบต้าออกมาเรียบร้อยนะคะ Find My เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ที่มาพร้อมกับ iOS สิบสามค่ะโดยแอปพลิเคชันจาก Apple นี้นะคะจะนำมาใช้งานโทดแทน Find My Friends แล้วก็ Find My iPhone ส่วน Mac OS นะคะ ในส่วนของ Mac OS Catalina นะคะก็มีแอปพลิเคชันใหม่ด้วยนะคะที่ชื่อว่า File เฉยๆการค้นหา ที่ทั้งคู่เนี่ยมีความสามารถเหมือนกันเลยก็คือสามารถค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ iOS หรือว่า Mac ได้ค่ะแม้ว่าอุปกรณ์จะถูกปิดเอาไว้ก็ตามหรือไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะอยู่เบื้องหลังการทำงานก็คือไฟล์ไมล์ที่มีกุญแจอยู่ที่ระบบของบลูทูธนั่นเองที่จะส่งสัญญาณเชื่อมต่อไปอยัางอุปกรณ์ของ Apple ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อระบุ ต, ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่สูญหายได้หาไม่เจอเนี่ยเอาเปิดเลยค่ะบลูทูธอยู่ตรงไหน โดยแอปเปิลนะคะได้ระบุว่ากระบวนการทำงานทั้งหมดนะคะจะถูกเข้ารหัสแบบ n to n ค่ะไม่ระบุตัวตนโดยอุประกรณ์ที่สูญหายจะปล่อยสัญญาณเป็น public key ออกมาแล้วอุปรกรณ์แอปเปิลนะคะที่อยู่ในบริเวณนั้นๆจะรับสัญญาณเพื่ออัปโหลดข้อมูลหรือว่าตำแหน่ง แตยังระบบคลาวด์ค่ะซึ่งแอปเปิลนะคะยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวจะถอดรหัสได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ผูกกับแอปเปิลไอดีของคุณเอาไว้เท่านั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือคุณต้องมีอุปกรณ์แอปเปิลอย่างน้อยอีกหนึ่งเครื่องในการค้นหาตำแหน่งของอุปกรณ์ที่สูญหาย ในส่วนของ iOS ค้นหา iOS อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบ iPad ค้นหา iPhone ได้เหมือนกันเธอตัวอย่างอย่างเช่นแบบ Macbook ของคุณถูกขโมยนะคะถูกตัดอินเทอร์เน็ตปิดเครื่องไปเรียบร้อยเลยนะคะ Macbook จะถูกปล่อยสัญญาณพับลิกคีย์ออกมาแบบสาธารณะอุปกรณ์ของ Apple ที่อยู่ในบริเวณนั้นจะสามารถหาสัญญาณดังกล่าวได้นั่นเองค่ะแล้วก็ทำการอัปโหลดข้อมูลให้ โดยที่เจ้าของเครื่องนะคะที่รับสัญญาณไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะทางแอปเปิลนะคะก็ยืนยันนะว่าข้อมูลที่ถูกส่งออกมาไม่มีข้อมูลส่วนตัวแม้แต่น้อยนะคะและเรื่องนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงของพลับลิกคีเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานนเองทำให้ในการดักข้อมูลเพื่อคาดเดาตำแหน่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือมีความปลอดภัยนั่นเองเท่าอยากจะย้ำเรื่องของความปลอดภัยค่ะทุกฝั่งสำหรับใครที่ต้องการไฟล์ต่างหาของไม่เจอนะหาอุปกรณ์ไอทีของในส่วนของแอปเปิลไม่เจอเนี่ย สามารถค้นหาได้ปิดก็หาได้ค่ะไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็หาได้ยังมีการส่งสัญญาณแบบนี้ให้หาได้อยู่นั่นเองนะคะเป็นข้อดีเหมือนกันนะคะในเรื่องของอ่าอัปเดตนะในไอโอเอสิบสามแบบนี้นะคะต่อการ น, นะคะในเรื่องราวของโมซิล่าไฟฟล็อกกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะเพิ่มระบบสมาชิกพรีเมียมปลายปีนี้นะคะหนึ่งในเบราว์เซอร์ที่ยอดนิยมในตลาดเนี่ยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่เปิดฟีเจอร์นะคะให้ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกได้แล้วก็ให้สิทธิในการใช้งานฟังชั่น ระดับพรีเมียมค่ะซึ่งจะเป็นแผนเขาบอกว่าแผนนี้จะใช้งานในเดือนตุลาคมในปลายปีนี้นั่นเองค่ะโดยในายคริสเบรส์นะคะผู้บริหารของบริษัทเมอร์ซิล่าค่ะสัมภาษณ์กับทางที 33n นะคะว่าระบบสมาร์ชิกระดับพรีเมียมแบบนี้เนี่ยจะมีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมของเบลเซอร์ไฟฟอกเท่านั้นซึ่งฟีเจอร์เดิมทั้งหลายที่มีก่อนหน้าก็ยังใช้งานได้ฟรีอยู่เหมือนเดิมนะคะรวมทั้งระบบความปลอดภัยต่างๆ tracking protection control ก็ยังคงมีให้ใช้งานเช่นกันโดยฟีเจอร์ระดับพรีเมียมแบบนี้นะคะอาจจะเป็นระบบ cloud storage ค่ะที่ให้ใช้งานในพื้นที่ส่วนตัวเฉพาะกลุ่มในรูปแบบของเครือข่าย VPN ในปัจจุบันเองรายได้ของโมสิล่านะคะมาจากการเป็นพาร์ทเนอร์กับกูเกิลแล้วก็ระบบบุ๊กมาร์กหรือว่าพ็อกเก็ตแต่ดูเหมือนว่าทางบริษัทเองจะเริ่มหาช่องทางเพิ่มเติมอื่ น, นๆเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้รายได้ในอนาคตอันใกล้มีมากขึ้นซึ่งก็ต้องมาดูนะคะว่าระบบการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมแบบนี้ปลายปีนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมให้คุ้มค่ากับการจ่ายค่าบริการเพื่อต้องการใช้ระบบพรีเมียมแบบนี้กันนั่นเองค่ะเราดูปลายปีละกันนะคะตั้งแต่ตุลาคมเนี่ยเขาจะมีในเรื่องการ ปล่อยออให้สมัครสมาชิคเป็น Premium กันเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวติดตามขาวเพิ่มเติมค่ะปิดท้ายกับขาวนี้แล้วกันกับ My Computer นะคะวันนี้มีขาวเกี่ยวกับ My Computer โคซฟายซิมูเลเตอร์ค่ะสวมเกมเมอร์เป็นนักบินสวมบทบาทเป็นนักบินนั่นเองจากเกมเมอร์ภาพวิวสมจริงระดับ 4K HDR ค่ะเกมขับเครื่องบินอันนี้เนี่ยค่ะที่ให้คุณผู้ฟังนะคะได้ฝึกขับเครื่องบินเผยตัวตนออกมาอย่างแท้จริงชัดเจนสวยงามเพิ่มขึ้นมีเปิดโชนกลางงาน E3 สองพันสิบเก้ามหากรรมด้านเกมในสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะโดยเบื้องหลังการประมวลผลของภาพในเกมนะคะใช้ Cloud AI Voltazer、bon แล้วก็ความละเอียดสมจริงระดับ 4K HDR นะคะทั้งเกม Microsoft Flight Simulator เนี่ยจะมีหลากหลายภาคนะคะแต่ปัจจุบันเองเนี่ยที่มีเล่นอยู่นั่นก็คือรุ่นปีสองพันหกนู่นเลยนะหูไกลามากมากแล้วห่างหายไปจนสิบสามปีค่ะผู้ฟังได้เห็นภาคใหม่กันแล้วนะคะใครอยากเห็นเกมนี้ เตรียมตัวได้เลยนะคะได้เล่นในปี2020รอกันอีกนะคะบนเครื่อง Xbox นะคะโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Xbox Game Pass ค่ะแล้วก็จะมีเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ PC เพิ่มเติมอีกด้วยนั่นเองค่ะ เอาล่ะสำหรับไมค์คอมพิวเตอร์นะครบรอบทวนกระบวนการนะคะในเรื่องการอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆด้านไอทีนั่นเองค่ะสำหรับหน้าครั้งหน้าจะมีเรื่องเราวอะไรมาอัปเดตกันนะคะติดตามกันได้กับไมค์คอมพิวเตอร์ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะดิฉันดลิสาตะกุนเง ค, ค่ะหมดเวลาแล้วต้องลาไปแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ どうし私は私はたらいいのか よろしくお願いします。 ม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นแมィไม่โดนสนใจแมシไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอ カッピー。 ペンペンペがペンペンペンペン FM 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์สร้างสรรค์นและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี ชั่งมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร026917738